พรุ่งนี้หลวงพ่อไม่อยู่นะปิธีมศทองคอเทพเที๋ น, นี้ห้องประชุมตามมหาวาิเลยนะโอ้ยเปิดแอร์เย็นมากเลยไม่ประหยัดไฟเลยนะเปิดน้องๆห้องทรานสแพน ถ้าเติมเพลสเชอร์ลงไปนะอัดเข้าไปนะเหมือนห้องทรานสแพนเลยคนไทยเราไม่ได้ชินความเย็นมากๆเราก็กลัวร้อนเราก็ติดแอร์ติดแอร์แล้วเราก็กลัวหนาวเราก็ใส่เสื้อผ้าเยอะเยอะ ฉลาดหรือเปล่าเหมือนมีเนนนะเนนน่ะหลวงตาท่านสั่งให้ไปต้มน้ำร้อนให้ฉันน้ำร้อนคนแก่ชอบกินน้ำร้อนน้ำชา เ, เนนก็ขี้เกียจนะแต่กลัวถูกตีก็เลยต้องไปต้ม ต้มมาก็ชงชามาให้เรียบร้อยเลยแล้วก็นั่งดูเมื่อไหร่ลงตาจะฉันไม่ฉันลักทีถามว่าทำไมลงตาไม่ฉันนะครับอยาบได้น้ำร้อนเนี่ยรอให้มันเย็นก่อนภาวนานะช่วยตัวเองเยอะๆมีสติไปเรื่อย ร่างกายเคลืนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดียเด๋ยวดีเดี๋ยวร้ายรู้สึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวปัญญามันก็เกิดกายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราเมื่อวันสื่ยอาจารย์อาเล่าให้ฟังพระที่มาบวชนะเนี่ยออกพรรษาแล้วก็มี เตรียมศึกกันบ้างอะไรบ้างบวชชั่วคราวแล้วก็มีคิวของคนที่จองไว้จะมาบวชตอนนี้มีคนรอบวชสิบเก้าคนสิบเก้าคนคือเท่าพระทั้งหมดเนี้ยตลาดแถวตั้งแต่จะนอาลงไป โอกาสที่จะได้บวชมันน้อยนะที่นี้จุดสำคัญกว่าการบวชคือความมีสติเพียงแต่มาบวชเนะีทะเลทลัยไม่ได้พวกเราเป็นฆลาวาสพอคล้อยหลังหลวงพ่อก็ทะเลทหลหยกันจะแพ้พระก็ตรงนี้แหละพระทะเลทลายไม่ได้หลวงพ่อดูอยู่ทุกวัน ดูรู้นะว่ากลางคืนภาวนาหรือเปล่าเนี่ยมันดูกันออกหนึ่องคืนหลับกลางคืนหลับยังไม่เท่าไหร่นะถ้ากลางคืนเล่นเน็ตเนี่ยดูออกง่ายมากใจมันฟุ้ง <c oughs> พวกเราแทบจะเอามือถือเป็นสารณะอยู่ละเฝ้ากันทั้งวัน ใจออกนอกตลอดมันจะเอาดีได้ยังไงถ้าสนใจเรียนรู้ตัวเองไม่ยออ่อท้อดูแล้วดูอีกอะไม่นานก็แจ้งเป็นมานละการนี้ใจนี้ไม่ใช่เราเห็นแจ้งตรงนี้นะก็ปิดอบายได้แล้วพอนาไปอีกเห็นความจริงนะ ร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์ก็หลุดจากโลกนะพอนาจะหลุดโลกเลยหมายถึงไม่ติดอยู่ในโลกอย่างที่พวกเราติดเนะี่ยโลกของเราก็มีแต่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสให้เราหลงกับของพวกเนี้พอนาเห็นความจริงแล้วว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีสาระแก่นสาร จิทก็วางพ้นจากกามาวาจรหลังางนั้นภาวนาเนี่มันจะละเอียดกิเลส ท, ที่เหลืออยู่นี่เป็นกิเลสชั้นละเอียดอย่างตัวมานะเทียบเขาเทียบเราอะไรเงี้ยมีแต่มานะระดับสูงเนี่ยไม่ได้ว่าปูกเก่งนะ มันจะรู้สึกว่ากูไม่ค่อยเก่งเลยมีแต่กิเลสอะไรเงี้ยในขณะที่พวกเรากิเลสเยอะเรารู้สึกว่ากูเก่งพวกที่กิเลสมาบางนะกูไม่เก่งเลยแล้วก็จะติดกับความฟุ้งซ่านกิเลสที่เหลืออยู่เป็นความฟุ้งซ่านไม่ใช่ฟุ้งซ่านอย่างพวกเรา พวกเราฟุ้านในกามฟุ้งไปอยากดูรูปอยากฟังเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสอรฟุ้งอยู่ในเรื่องพวกนี้เรื่องโลกโลกอยากได้ลิปสติกนะมีแท่งเดียวก็ไม่ได้ไม่เข้ากับชุดนะถ้ามีหลายแท่งนิ้วมือเล็บมือก็ต้องเพ้น คนมีลวดลายนะติดเพชรด้วยเคยเห็นไห ม, อมยอดเลยไม่รู้มันล้างก้นยังไงใจที่มันติดอะไรมากนะก็มีภาระมากก็มีทุกข์มากอย่างพระสบาย มีอยู่ชุดเดียวเนี่ยไปที่ไหนไปงานอะไรก็มีอยู่ชุดเดียวไม่ต้องคิดมากพวกเราต้องคิดว่วันนี้จะแต่งตัวยังไงเย็นนี้จะแต่งยังไงมีภารกิจมีมากภาระก็มากพระนี้ชุดหนึ่งเนี่ยใช้ได้สามปีนะ ย่งพวกเราทำบุญทลพ่อ ก, การอนุมโมทนาหรอกเอาจีวรมาให้หลวงพ่อเนี่ยปีปีหนึ่งเยอะมากเลยมูลค่าเนี่ยเป็นล้านๆ้านเลยที่เอามาให้ชุดหนึ่งก็สามพันกว่าบาทเดี๋ยวนี้ยังมีผ้าที่แพงขึ้นไปเรื่อยๆนะผ้าป่านอะไตอนอะไ ร, ไรป่านแก้วป่านญี่ปุ่นป่านสวิสอะไรอย่างเงี้ย ชุดหนึ่งนัง 6, 7, ้นหกเจ็ดพันึลเราอยากได้บุญก็ซื้อกันมาหลวงพ่อก็ส่งไปผ้าอีสานหลวงพ่อก็ใช้อยู่นี่แหละสามพันกว่าบาทชุดหนึ่งใช้หลายปีผ้าธรรมดานี่ทำไมไม่ใช้ผ้าป่านสวยๆหรือผ้าไหม ป็นเทศสุลินเขาให้ผ้าใหม่มาเลยอยชีวอนหมดูแล้วมันใส่แล้วมันสบายตรงไหนมันแค่ใส่แล้วเทเป็นภาระการดูแลรักษาแล้วก็ร้อนด้วยทีเราบริโภคอะไรแบบไม่จำเป็นบริโภคเพื่อหน้าตา อย่างเราขี่รถยนต์เนีโอ้ยต้องรถหรูหรูแพงแพงที่จริงขึ้นรถนะเราเอาก้นนั่งนะคนทั่วๆไปที่สติสมประกอบเอาก้นนั่งพวกไม่สมประกอบเอาหน้านั่งต้องนั่งรถแพงๆใช้ชีวิตที่มันง่ายๆบ้างแล้วชีวิตจะมีความสุข จะมีเวลาเหลือม่ใช้ชีวิตจนยุ่งยากเกินไปนะหมดเวลาแนละ้วแค่จะใส่ชุดนี้ให้รับกระส่งผมอย่างนี้โอ้ยุ่งนะวันนี้ควรจะผมสีอะไรเดี๋ยวนี้เป็นหนักขึ้นเรื่อยๆนะเมื่อก่อนย้อมผมก็ย้อมผมดำเดี๋ยวนี้ย้อมอย่างกับหนูผูกหนูตะเภา สารพัดสีเลยนะเมื่อก่อนสมัยยังมีสนามหลวงมีตลาดนัดอะ่ะหลวงพ่อก็อยังเด็กๆอยู่ชอบไปดูนะเห็นเขาขายพวกหนูเคยเห็นแต่หนูขาวๆตอนนี้หนูเขียวหนูแดงอะไรย่งเงี้ยเรเด็กๆเรานะรู้สึกตื่นเต้นว่าหนูพันธุ์ใหม่จะบอกให้พ่อซื้อว่าไม่ซื้อมันหนูย้อมสี หลอกกันด้วยสีหลอกกันด้วยกลิ่นหลอกกันด้วยรสหลอกกันด้วยสัมผัสคนอื่นหลอกเราไม่เท่าไหร่นะสุดท้ายเราหลอกตัวเองอย่างคนเขาโฆษณาสินค้านะเขาพยายามหลอกล่อเราให้ซื้อเขาจะหลอกล่อสำเร็จนะถ้าเราหลอกตัวเองด้วย หลอกตัวเองต้องใช้ของอย่างเนี้ยถึงจะดีมีเกรดนะถือกระเป๋าลูกหนึ่งล้านหนึ่งอะไรเงี้ยมีประโยชน์อะไรเสื้อผ้าแพงๆมีประโยชน์อะไรนักหนาเวลาพระจะหมจีวร น, นะพระพิจารณานะหมจีวรนี่ไม่ใช่เพื่อสวยเพื่องามนะแต่หมเพื่ออะไร ไม่ให้อุจาร์ไม่ให้โป้ห่มกันร้อนกันหนาวห่มกันสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเข้ามากัดอย่างเงี้ยมีผ้าอย่างเงี้ยนั่งสมาธิอะไรยุงก็กัดยากหน่อยกันสัตว์กัดไม่ใช่เพื่อสวยงามเพื่อสนุกสนานามีบทพิจารณา งั่นอย่างเราเวลาจะใส่เสื้อผ้าเราก็พิจารณาบ้างเราใส่พราะจำเป็นแต่ไม่ใช่ว่าเป็นคารวาสแล้วต้องมีชุดเดียวนะอย่างเราจะไปงานแต่งงานเนี้ยเราก็ใส่ชุดดำของเราไปงานนี้เคยผ่านงานศพมาหลายอันแล้วนะนี่สังคมก็รับไม่ไหวเหมือนกันมักน้อยสันโดดเกินไปนะ แต่พระไปได้มีอยู่ชุดเดียวแค่กินก็ไม่ต้องเรื่องมากเรากินอาหารเนะ่ให้มันอิ่มๆไปเท่านั้นแหละที่เรื่องมากไม่อร่อยก็โมโหต่เกียกตะกายขับรถไปกินที่โน้นที่นี่เสียเวลาลองทำตัวให้ง่ายๆเราจะมีเวลาเหลือ ไอ้ที่บอกว่าไม่มีเวลาภาวนานะเอาเวลาไปทะลุงเล่นหมดใครเล่นเน็ตวันละสี่ชั่วโมงขึ้นไปยกมือซิสารภาพมาเยอะเหรเห็นไหมวันละสองชั่วโมงขึ้นไปมีหไหมก็ไอ้พวกสี่ด้วยแหละเกินสอง <laughs> ไม่มีเวลาภาวนาเนาะ ม, มีเวลาเล่นเน็ตตอนหลวงพ่อภาวนานะหลวงพ่อไม่เล่นเน็ตนะสมัยนั้นไม่มีเน็ตเอา้าตรวจกันบ้านเลยเดี๋ยวอะ ว, ว่าขี้เกียจ ให้พวกอยู่วัดก่อนจะส่งกันบ้าก็ส่งวันนี้นะพรุ่งนี้หลวงพ่อไม่อยู่เอาไหมไม่เอาส่งไม้ไปเห็น <He ard S 2> ไหมจิตเราไม่เหมือนแต่ก่อนดูออกไหมค่ะนั่นแหละจิตมันเริ่มตื่นแล้วมันเหมือหลุดออกจากโลกของความฝันคนในโลกมันฝันอยู่ตลอดแหละ เนใจเราเริ่มตื่นขึ้นมาก็ดีแล้วพอมันตื่นได้ก็เรียนรู้ความจริงของกายของใจไปธรรมะไม่ได้เอาไว้สงสัยมากจะคอยดูให้มากๆรูปธรรมนามธรรมเนี่ยคอยรู้สึกไปการดูกายดูใจดูด้วยจิตไม่ได้ดูด้วยตา งั้นบาคนบอกดูจิตจนปวดลูกตาอั น, นี่ดูไม่เป็นหรอกรู้ด้วยความรู้สึกเท่านั้นจิตเป็นตัวรับรู้นั่นเรียนกรรมฐานเราเรียนด้วยความรับรู้เร่างกายนั่งอยู่รับรู้ไหม ย, ยากไหมเห็จะยากเลยร่างกายนั่งร่างกายพยักหน้ารับรู้ไหมถ้าใจลอยก็ไม่รู้ ถ้าทำอะไรเกินกว่าการรับรู้ธรรมดาก็จะเป็นการบังคับแล้วนะจะพยักหน้าแล้ว <c oughs> จะหันไปมองทางนี้แล้ว <c oughs> <c oughs> ายสาระ ใจมีความสุขก็รู้ไหมใจมีความสุขก็รู้ไปจิตออกนอกรู้ไหมขนาดนี้ไม่ได้ดูตัวเองแล้วรู้สึกไหมไม่แต่คิดขนาดนี้สงสัยรู้ไหมเนี่ยดูเข้าไปอย่างเนี้ยสงสัยก็รู้ถ้าสงสัยแล้วไม่รู้ก็คือหลง สงสัยแล้วอยากได้คําตอบก็คือหลงเนี่สงสัยแล้วรู้ว่าสงสัยไม่ต้องถามสงสัยแล้วรู้ว่าสงสัยก็เห็นความสงสัยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความรู้สึกทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนกันหมดจะสุขหรือทุกข์จะดีหรือชั่วก็มีแค่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเฝ้าดูจิตใจมันยอมรับความจริง ว่ามาขับกลับกพ่อครับแป๊บหนึ่งอย่างนี้เรียกว่าเพ่งบังคับใจดูออกว่ามันทื่อๆอยู่ข้ในนะครับกลับกพ่อครับก็ภาวนาเห็นความฟุ้งซ่านครับแล้วก็เห็นก้อนทุกข์มัน ขึ้นมาครับแล้วก็หายไปดีแล้วก็เห็นความปิติเห็นความอุยิตใจครับจะถามว่าเอาผมพอจ ะ, จะเจริญปัญญาได้หรือยังครับไอ้ที่เห็นนั่นแหละมันเดินปัญญาอยู่แล้วครับเห็นไหมว่าทุกอย่างมาแล้วไป ตัวที่เห็นว่าสิ่งนี้ผ่านมาแล้วก็ดับไปเห็นอนิจจังเห็นว่ามันมาเองมันไปเองเห็นอนัตตานะเฝ้ารู้เฝ้าดูไปอย่าทำจิตแบบนี้อย่างนี้ไม่เอาเลยนะยังไม่เลิกนะรู้สึกไหมมันแน่น ถ้าแน่นาผิดปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติแล้วตามรู้ไปไม่ใช่ไปบังคับมันการที่เราคอยบังคับจิตเนี่ยเป็นความปรุงแต่งอย่างหนึ่งเรียกว่าปุญญาพิสังขารปรุงฝ่ายดีปรุงแล้วก็ดูเป็นคนดีดูเรียบร้อยแต่จริงๆก็มีอ ว, วิชชาเหมือนเดิมไม่ได้เห็นความจริงของกายของใจเราไปดัดแปลงมัน อย่าไปดัดแปลงมันรู้ทันจิตใจมันปรุงแต่งอะไรรู้ทันอย่าไปปรุงแต่งมันซะเองเอ๋อกดกดอยู่นิดนึงค่ะหลวงพ่อเจอหลวงพ่อมก็กดทุกคนแล้วช่วงนี้ดีนะแต่ว่าช่วงนี้มันจะแบบโดนแบบ ความคิดที่จะทำให้เราทุกข์อะค่ะเวลายอยู่คนเดียวอะศัตรูร้ายคือความคิดนะเวลายอยู่กับคนอื่นเนี่ยศัตรูร้ายคือคาพูดงันเรามีสติไหมคนนี้ใจเด็ดนะเอาสามีมาถวายหลวงพ่อจับบวชเรียงอยู่บ้านภาวนา ไม่ต้องห่วงนะเขาภาวนาดีแล้วล่ะนั่งอยู่ไหนวะไม่เห็นเขาเขาเก้าหน้าของเขาคู่แต่งงานนะควรจะส่งเสริมความเจริญรุง่งเรืองของกันและกันไม่ใช่ทวงยังพยายามประครับประคองกันไปมานะเติบโตถึงจุดหนึ่งแล้วก็ ต่างคนต่างภาวนาเส้นทางนี้ในขั้นสุดท้ายเป็นเส้นทางของคนที่เดินคนเดียวเดินตามลำพังแบบหามคนอื่นไปด้วยไม่ได้ดีใหม่ๆหลวงพ่อก็ห่วงนะว่าจะไหวไหมเดี๋ยว น, นี้รู้ยังว่าไหวเป็นวันๆใช้ได้อ้า ท่าะหลวงพ่ อ, อรู้สึกว่าเห็นตัวเองเวลาตัวเองโกรธอะคะ่ะจะเห็นง่ายขึ้นคือจะเห็นชัดเร็วขึ้นอย่างที่เมื่อก่อนที่เพะนั้นะสติเราเร็วขึ้นสติเป็นตัวรู้ทันว่า ม, มีอะไรเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้นี่คือสามารถดูอย่างสมมุติเวลาเราขับรถไปทํางานวันนึงคือตกเฉลีย่ยประมาณ3ามชั่วโมงงเงี้ยก็คือขับรถไปแล้วก็ดูว่าตัวเองนั่งขับรถแล้วก็ ระวังอย่าให้จิตรวมนะเดีย๋ยวลืมตายอีกทีเชอโย ม, มาบานเลยอ๋อปกติรถมันจะติดอยู่แล้วอะค่ะหลวงพออ่อ <laughs> รถมันติดเราก็ดูใจเราไปนะใจมันงุนหงิดก็รู้อย่างเงี้ยใจมันเผลอเผลอก็รู้บางทีบางคนขึ้นรยก็เปิดเพลงเพลินเพลินมาถึงที่ทำงานเมื่อไหร่ก็ไม่รูนะ้อย่างนั้นไม่ดีเสียเวลา คือนรถแล้วก็อ่านใจตัวเองไปอ่านความรู้สึกอะ่ะอย่าไปเพ่งจิตให้นิ่งนะปกติฟังซีดีหลวงพ่อค่ะก็เปิดไปแล้วก็ขับรถไปปกตินะคะ่ะแล้วอ่านใจไปด้วยฟังซีดีหลวงพ่อเฉยๆนะบางทีจิตรวมนะเป็นสมถะได้เคมีเด็กผู้หญิงคนนึ่งขับรถอนะ่ะแล้วก็จิตรวมลงไป ยังลืมตาอยู่นะเห็นว่าไฟแดงแล้วแต่สมองไม่ทำงานก็ยังเหยียบเท่าเดิมไม่เบรกชนทีหนึ่งตั้งหลายคันเนี่ยพวกที่จอดอยู่ข้างหน้าุงชนทีเดียวหมดเลยยังดียังไม่มีแฟนตอนนั้นเตี่ยไม่รู้จะทำไงก็ต้องจ่ายถ้ามีแฟนเนี่ยมันหาเรื่องเลิกเลยไม่ไหวเวลาขับรถเนะี่ยไม่ใช่เวลาทำให้จิตนิ่งนะ มีสติไว้มีตาก็ดูมีหูก็ฟังไม่ใช่ฟังซีดีหลวงพ่ออย่างเดียวนะต้องฟังเสียงข้างนอกด้วยเ <Yeah. S 1> งั้นพยายามรู้ตัวทั่วพร้อมในการขับรถเจ็บลอดไถยขึ้นเวลาเกิดอะไรนะอุบิเนต์อะไรขึ้นมารถคว่ำอะไรเงี้ยจิตมีนดีดผังออกมาเองเลยมันเป็นคนดู เห็นร่างกายกำลังกลิ้งกลิงิ้งไปนะจิตเป็นคนดูนะไม่ค่อยอันตรายอะไรเพราะว่าเวลาหัวมันจะกระแทกก็หลบมันยังรู้สึกตัวอยู่นี่ถ้าคนไม่เคยฝึกเกิดอุบัติเหตุแล้วหมวแต่วี่ดว้กรีดกลาดไม่ได้เรื่องแต่ไม่ใช่ทำจิตให้นิ่งขับรถด้วจิตอย่างนี้ หนูปพาเก่งนะไอ้เรื่องผิดๆเนี่ยไม่มีประโยชน์ต้าระวังอย่าให้จิตไปว่างๆอยู่นะดูมันทำงานดูมันเปลี่ยนแปลงถึงจะใช้ได้แ ล, แล้วไงอยากพูดอะเห็นไหม อ, อ, ยอยากพูดอะเห็นไหม อ, ไอยากพูดอะเห็นไหมอยากเห็นค่ะเห็นเออต้องบอกตั้งสามรอบถึงเห็นนะ อยากพูดก็ดูเอาเนี่ยอย่างของโยมเนี่ยคือนั่งสมาธินานอย่างคนอื่นไม่ได้อะค่ะคือเราแต่คือเวลาอย่างเดินไปออฟฟิศอย่างเนี้ยคือพยายามจะรู้สึกตัวเวลาเดินไปหรือว่าี่ก็เป็นสมาธิแล้วก็ได้อยู่ใช่ไหมค ะ, ม ะ, ะทุกก้าวที่เดินเรู้สึกตัวก็ได้สมาธิแล้วอย่างของโยมต้องมีอะไรต้องปรับปรุปงแก้ไขอะไรให้มันดีขึ้นไหมอะค่ะฝึกไปต้องทาอีกนะ ไม่ได้มีอะไรต้องแก้ฝึกให้มันชํานาญให้สติอัตโนมัติมันเกิดให้จิตตั้งมั่นอัตโนมัติให้เห็นไตรลักษณ์อย่างอัตโนมัติไม่ต้องคิดนําค่อยๆฝึกการเดินปัญญายัางไม่คล่องแคล่วถ้ายังไม่คล่องก็คิดนําก่อนได้เรื่องไตรลักษณ์เอาต่อไป มาส ก, การหลวงพ่อค่ะที่ผ่านมาก็เป็นอย่างที่หลวงพ่อว่าค่ะติดอยู่ในโลกแล้วก็มัวแต่รักสวยรักงามทำสเสียเวลาไปเยอะค่ะตอนนี้ก็พยายามรู้สึกตัวค่ะแล้วก็ใช้พุทโธเป็ น, เ ป, นเป็นวิหารธรรมค่ะดีใช่ได้พุทโธแล้วก็คอยรู้ทานจิตตนเองน ะ, ะจิตสงบก็รู้ฟุ้งส่านก็รู้ดีร้ายก็รู้ไป เห็นความร้ายของตัวเองยังเห็นค่ะเนอะเยอะเลยเนอะเยอะกว่าที่คิดเห็นค่ะเริ่มดีแล้วละคเห็นว่าตัวเองทําอะไรแบบสร้างภาพไปเยอะมากเลยค่ะเนี่ยอย่างเนี้ยจิตมันได้เหอียดแล้วคอยดูนะต่อไปทุกความคิดอะไรอยู่เบื้องหลังทุกคําพูดอะไรอยู่เบื้องหลังทุกการกระทํามีอะไรอยู่เบื้องหลังมันมีการสร้างภาพอยู่เบื้องหลังค ไปดูแต่ใจจะได้อิสระไม่ถูกไอ้กิเลสมันบงการขารพ่อฝึกเอานะอยากดีก็ต้องฝึกกรับขอบพระคุณท่านองโน้นมาจากไหนล่ะ อ, อะไนนะ คอนแก่นออมา ก, กระโดตู้คนอีสานนะยุค ก, ก่อนมีบุญนะครูบาอาจารย์อยู่อีสานเยอะที่สุดเลยหลวงพ่อก็ต้องไปเรียนจากภาคอีสาน<ม>ก็ภาคเหนืออย่างเงี้ยเรียนเยอะหลายวงทางเหนือก็มีคนอีสานยุคนี้ไม่รู้เป็นยังไงนะ แต่ยุคก่อนเนี่ยเป็นคนที่อดทนสูงมีความอดทนสูงนะเป็นจุดเด่นเลยแล้วครูบาอาจารย์สั่งให้ภาวนาอะไรเนี้ยสู้ตายไม่ถอยนี่เป็นจุดเด่นของคนทางอีสานเข้มแข็งเป็นนักต่อสู้คนภาคกลางอะไรเนี้ยใจเหยาะแย่กว่าทางเหนือ สมัยโน้นนะเดี๋ยวนี้เป็นไงไม่รู้คงเหมือนกันหมดล่ะเดี๋ยวเนี้ยเหมือนกรุงเทพคนภาคเหนือแ้วก่อนนะชอบแต่ทําบุญมีความสุขเพลิ น, ลนไปวันวันคนอีสานนะชีวิตยากลำบากอดทนต่อสู้แต่ละภาคก็ไม่เหมือนกันเฉนั้นในภาคอีสานเนี่ยคนยากจนเยอะคนลำบากเยอะ แต่คนเข้าถึงธรรมะเนี่ยเยอะที่สุดเยอะที่สุดเลยกระทั่งครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อนะที่อยู่ภาคเหนือเนี่ยส่วนใหญ่ก็คนอีสานนั่จุดสำคัญเลยว่าทำไมครูบาอาจารย์สายอีสานนี่แข็งแรงเข้มแข็งใจท่านแข็งท่านเห็นในชีวิตเนี่ยมันมีแต่ความทุกข์นะลำบากยากจนอะไรเงี้ย เดี๋ยวก็ฝนแรงพอฝนตกน้ำก็ท่วมในชีวิตเต็มไปด้วยความลำบากท่านก็ไม่รู้สึกว่าโลกนี่น่าอยู่น่าเพลิดเพลินใจของท่านเนี่ยอยากออกจากโลกแนละ้วโลกนี้ทุกเนี่ยพื้นพื้นเดิมเลยนะั้นพากันภาวนาเด่นเดียวไม่หลงกับโลกพวกเราภาวนาหย่อยๆแย่ๆนึกออกไหม ของท่านสู้ตายกันจริงๆนะแล้วก็ตายกันจริงๆด้วยแล้วการภาวนาของท่านนะทําแบบไม่ขาดวักขาดตอนเลยเพราะเราจะมีลูกลูกอู้บางีก็เบี้ยวบางีก็ผลัดนะมีหลายอย่างครูบาอาจารย์รุ่นเก่าแนละ้วไม่มียอมถอยเลยมีครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟัง ว่าทางอุบลหรือศรีสกเกตอะไหรหลวงพ่อจบไม่ได้แล้วมีหลวงตาองหนึ่งท่านบวชอายุมากเป็นพระบวชใหม่อยู่วัดในป่าท่านก็ภาวนาสมพานก็สั่งให้ท่านนั่งสมาธิเดินจงกลมแล้วก็ทำของท่านทั้งวัน นี่ตอนเช้าเนี่ยก่อนจะไปบินทบาลเขาพยายามจะไปเข้าส้วมส้วมสมัยนั้นมันเป็นส้วมหลุมใครเคยเห็นไหมไม่เคยก็ไปทำใช้ที่บ้านดูจะได้มีประสบการณ์ขนะุดดินนะ่ะเป็นหลุ ม, มเอาไม้กระดานพาดปากหลุมสองแผ่นนะเสร็จแล้วหลุมมันเป็นหลุมของวัดด้ะ หลมันต้องโตมังั้นไม่พอใช้กันแล้วพระเนี่ยตอนเช้าเนี่ยถึงจะมีพระวินัยอยู่ข้อหนึ่งต้องรักษาภาคครองหมายถึงสบงจีวรสังขติเนยต้องอยู่กับตัวตอนสว่างนะต้องอยู่กับตัวพร้อมไม่งั้นบางทีเอาไปวางสเปสปารนะ์แล้วก็ต่างคนต่างม่วคว้าผิดคว้าถูกของคนอื่นมาพนระพุทธเจ้าเลยกําหนดวินัยนะ ผ้าต้องอยู่กับตัวตอนสอนแด่รุน่นแด่แด่รุน่นตอนพระทิดขึ้นโองค์นี้ไปเข้าส้วมก็สังฆ ต, ติพาดบ่าไปด้วยแล้วนั่งอีท่าไหนไม่รู้ผ้ามันตกลงไปในหลุมท่านก็ภาวนาของท่านอยู่เรื่อยๆนะว่าผ้าตกลงไปในหลุมแลต้องปีนลงไปในหลุมนะในหลุมเนี้ยเต็มไปด้วยอึแล้วก็มีนอนด้วย พอลงไปท่านก็หยิบผ้าขึ้นมาจะปีนกลับขึ้นมาแล้วท่านก็นึกได้เราเนี่ยภาวนามาทุกที่แล้วนะมันไม่เคยดีเลยวันนี้ตกซ่วมมาแล้วเนี่ยลองภาวนาในซ่วมเนี่ยในหลุมเนี่ยแต่ซ่วมนี้ภาษาภาคกลางนะภาษาอีสานนีเป็นห้องนอนนะอีสานโบราณ น, นั้นเข้าซ่วมหึงเข้าห้องนอน <c oughs> ภาษาลาวใช่ไหมคำนี้ อภิษานใช้แต่ก่อนนะเดี๋ยวนี้ก็ใช้ภาษาพัดกลางทั้งหมดที่อื่นเขาภาวนามาหมดแล้วเหลือที่ในส้วมนี้ยังไม่เคยภาวนาท่านก็ยืนอยู่นั้นแหละไม่ขึ้นมานะนอนมันเริ่มไต่ขาท่านกระดึบ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บขึ้นมาเรื่อยๆบอกพอไต่ขึ้นมาครึ่งตัวเนี่ยท่านก็พ้นกิเลสละพ้นจากกิเลสแล้วขึ้นมาจากหลุมส้วมไปสงน้ําไปซักผ้า สมภารมาเห็นนะสมภารดูอะไรไม่รู้กาลเทศะเป็นเวลาจะบินธบาตมานั่งซักผ้าเนี่ยแก่เปล่าๆไม่รู้หรอว่าอะไรควรทำท่านก็บอกสมภารบอกผมทำงานเสร็จแล้วสมภารบอกโอ้ยพระแก่นี่อวดอุตรีมนุษธรรมอวดว่าเป็นพระอระหัน เสร็จภารกิจแล้วก็เกิดทากันขึ้นมาบอกว่าองค์ที่ตกซ่วมท่านบอกว่าถ้าไม่เข้าใจไม่มั่นใจนะไปหาหลวงปู่มั่นกันท่านก็เดินไปหาหลวงปู่มั่นกันนะเดินไปสามวันกว่าสี่วันอนะ่างเงี้ยพอไปถึงวัดของหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นเห็นหน้าปุ๊บไล่เลย ไปกลับไปไม่มีธุระอะไรแล้วกลับไปได้แล้วแต่ออกไหมถูกครูบาอาจารย์ไล่เสียใจไหมเสียใจถ้าดูสาบอกว่าไม่มีธุระหมดกิจแล้วนะถ่านรับรองจบแนละ้วสมภารเนี่ยโอ้ยไปดูถูกพระลูกวัดเนี่ยนะแก่ๆเนี่ยนะกลายเป็นว่าท่านนะพ้นทุกข์ไปแล้ว เองไม่พ้นหลวงปู่ม่นสั่งรีบกลับให้เร็วที่สุดเลยนะรีบกลับวัดให้เร็วที่สุดย า, ยาทะไหลกลางทางเลยสององค์นี้เขเชื่อครูบาอาจารย์สั่งรีบกลับมาที่วัดมาถึงวัดเนี่ยเป็นวันที่เจ็ดจากวันที่ท่านตกส้วมแล้ววันนั้นท่านมรณภาพ รีบกลับมาจะได้ไม่ต้องไปทิ้งศพไว้กลางทางจัดงานศพง่ายหน่อยทำไมท่านตกซ้วมท่านยังภาวนาได้ไม่จริงท่านภาวนาทุกที่เลยนะการภาวนาไม่เลือกนะว่าจะต้องอยู่ตรงไหนอย่างรุ่นหลังๆเริ่มสอนกันพิลึกพิลึ ก, ลกบอกเวลาเข้าส่วมอย่าภาวนาบาปก็มีตัวอย่างให้ดูนะที่พลนทุกในส่วมเนี่ยมี อย่างพวกเราทุกคนอะพวกพ้นทุกในส้วมทั้งนั้นแหละทุกคนลแบบนทุกทางกายนท่านพ้นทุกทางใจังนั้นการภาวนาเนี่ยไม่เนบนวักทําให้ติดต่อทั้งวันทั้งคืนะมันถึงจะได้ดีเราไม่รู้ว่ามรรคผลจะเกิดตอนไหนเราไม่มียานทัศนะอย่างที่พระพุทธเจ้ามีรู้ว่าใครจะบรรลุอะไรตอนไหน พวกเราไม่มีงั้นเราต้องไม่ประมาทประเภททำบ้างไม่ทำบ้างเนี่ยมรผลไม่เกิดแล้วอดทนทำไปนะอีกนิดเดียวอาจจะเกิดแล้วฟังเราเข้มแข็งขึ้นบ้างไหมต้องสู้นะใครจำเป็นจะส่งกันบ้านอีกมีไหมเอาว่ามามีสองคน นมัสการครับหลวงพ่อตื่นใต้นดูออกไหมดูออกครับรู้สึกไหมว่าเราเข้มแข็งเหมือนกันนะเพราะโดนหลวงพ่อจวกเนี่ยทนได้รู้สึกไหมทนได้เออมันต้องอย่างนี้สิว่าระเพศต้องให้ครูบาอาจารย์นะประพบประงมโอ้ดีแล้วอย่างเงี้ยถ้าหลวงพ่อชมว่าดีแล้วระวังไว้นะหลวงพ่อชมเพื่อให้กําลังใจถ้าถูกหลวงพ่อเฉ่งเอาเนี่ยเจริญ บังคับจิตแล้วรู้ไหมมันแน่นแน่นขึ้นมาแล้วดูออกไหมดูเอาจะถามอะไรก็ว่ามาจะถามเรื่องการปฏิบัติเขาปฏิบัติถูกแล้วปฏิบัติถูกแล้วครับก็ทําให้มากแล้วนะข้อควรระวังอย่าบังคับจิตยังบังคับจิตอยู่เวลาบังคับจิตมันจะแน่นแน่นจะแน่นขึ้นมาหนักหนักแน่นแน่น แข็งแข็งซึมซมทื่อท อ, ทอตอนนี้กำลังบังคับอยู่รู้ไหมรู้สึกไหมจิตเราตอนนี้ไม่เป็นธรรมดาจิต ท, ที่ธรรมดาคือแกว่งไปแกว่งมาเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่ตอนนี้จิตไปคิดทราบไหมตรงเนี้ยที่ถูก อแว็บที่รู้ทันว่าจิตไปคิดนะตัวนั้นแหะถูกเป๊ะเลยตอนนี้อยากหาแนละ้วว่าให้ที่ถูกเป็นยังไงดูออกไหมตัวนี้เป็นจิตโลภรู้ทันว่าจิตโลภก็เกิดจิตรู้ที่ถูกขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นถูกกับผิดเนี้ยสลับกันอยู่อย่าพยายามทำให้ถูกพยายามทำให้ถูกจะผิดหมดเลยมันผิดอยู่รู้ว่าผิดเช่นมันหลงไปคิดรู้ว่าหลงไปคิด มันหลงไปบังคับตัวเองรู้ว่าบังคับตัวเองอยู่ตอนเนี้ยมันหลงไปหาแล้วรู้สึกไหมไหนวะมันเป็นยังไงอัอนเนี้ยนะมันใสอยากสอยู่ข้างในอเนี้ยใสดูอะไรดีเนี่ยก็ให้รู้ว่าจิตกำลังแสวงหาอยู่เนี่ยหาแล้วนะตรงเนี้ยตรงนี้เริ่มเพลงแล้ว ตรงนี้หลงไปคิดเนี่ยรู้เป็นช็อตๆไปนะไม่ต้องถูกนะเมื่อไรรู้สภาวะถูกต้องตามความเป็นจริงภาวะแห่งความตื่นก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติตอนนี้จิตเที่ยวแสวงหาอีกแล้วรู้ไหมเนี่ยรียนรู้มันไปเงี้ยเห็นจิตทำงานไปเรื่อย พอรู้ทันการทำงานของมันจิตจะหยุดการทำงานหยุดความปรุงแต่งล้วก็รู้ตื่นเบิกบานขึ้นโดยอัตโนมัติเราไม่รักษาจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่รักษาเราก็จะเห็นว่าจิตรู้อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับกลายเป็นจิตคิดจิตคิดพอเรารู้ทันว่าหลงคิดจิตรู้ก็เกิดจิตคิดก็ดับ มันมีแต่เกิดดับเกิดดับไปเรื่อยๆกระทั่งตัวรู้ก็เกิดดับจิตถลำลงไปแล้วดูออกไหมดูออกครับเออถ้าดูออกมันก็จะหลุดออกมาเนียรู้สึกไหมมันหลุดออกมาอย่างเงี้ยตรงนี้คือจิตรู้แต่ไม่ต้องรักษานะ ไม่ได้จิตรู้แล้วสังเกตไหมร่างกายเนี้ยถูกรู้ร่างกายไม่ใช่เราความรู้สึกทุกชนิดเป็นของที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่ใช่เราเวลารู้อย่าถลำลงไปรู้รู้อยู่ห่างๆรู้สบายๆถ้าถลำลงไปรู้จะโงกไปอย่างเงี้ยไม่ดีจิตไม่เป็นสมาธิที่ดีจิตหลงคิดรู้ไหม หลวงพ่อตัวจันบ้านอยู่คนเดียวเลยวันนี้เพราะมันเรียนรู้เรื่อง <c oughs> บ้านอยู่ไหนประเทศลาวเออสมควรคนลา ว, วน่นานะใจรับธรรมมาได้ดีกว่าคนไทยคนลาวเนี่ยมีใจที่อ่อนโยนอ่อนโยนต่อธรรมะเวลาครูบาอาจารย์สอนเนี่ยนะ่ะทนทาน คนอีสานจริงๆแต่เดิมเป็นคนลาวนะโอพยพข้ามาอดทนใจจะไม่เหมือนพวกเราพวกเราใจจะกระด้างสอนมากๆแล้วโกรธนะนิสัยสอนมากๆแล้วโกรธครูบาอาจารย์ก็ไม่อยากทะเลาะด้วยทาไปเถอะดีแล้วดีละทําไปนี่โดนหมดเลยไหม กระดิกซ้ายก็ผิดกระดิกขวาก็ผิ ด, ผดบังคับไว้ก็ผิดหลงไปก็ผิดเที่ยวแสวงหาก็ผิดเรียนรู้สิ่งที่ผิดนะทันทีที่รู้ว่าผิดสิ่งที่ถูกคือตัวรู้จะเกิดขึ้นเองเมื่อตัวรู้เกิดแล้วก็ไม่รักษาตัวรู้เองก็เกิดดับจะต้องฝึกไปอย่างนี้นเข้มแข็งไว นี่มาจากประเทศไห น, เ ท, ไหนเทศไทยเหรอต้องถามม่ะเดี๋ยวนี้ดูไม่ออกคนไทยหน้าเหมือนเขาทุกประเทศเลยนะเหมือนนีกโกลก็มีนะคนเหมือนคนเหมือนแขกเหมือนจีนคนจีนเนี่ยถ้านั่งอยู่รวมกับพวกเรานะ่แยกไม่ออกแต่ถ้าเ้ากราบเนี่ยเรารู้เลยวนะ่าคนจีนคนไทยกราบอย่างนี้คนจีนกราบงี้ S 1> <S 1> <S ไม่เหมือนกันว่ า, าไปครับขอโอกาสครับเอาการบ้านรอบสองปีแล้วมาถวายครับกับออมาข อ, อคำแนะนำหลวงพ่อเพิ่มเติมครั บ, รบว่ามาเป็นไงสองปีสองปีก็มีหย่อนบ้างครับผมบางช่วงก็มีขยันก็ขยันทำทุกวันแบบเยอะมากครับบางช่วงหย่อนก็ติดกับโลกมากครับวิติมาทำไม ครับแล้วก็จะมีบางช่วงที่ทำสวดมนต์ไงบางทีมันเพ่งเข้าไปสค อ, อสอบถามหลวงพ่อ ว, ว่าเวลาเพ่งแล้วไม่ชอบคนจะดูรู้ไปเลยหรือว่าเพ่งแล้ว ร, ร, รู้รู้ว่าไม่ชอบที่จริงเพ่งน่ะเพราะอยากอยากรู้ชัดชัดเถ้าเรารู้ทันใจที่อยากมันก็ไม่เพ่งถ้ารู้ไม่ทันมันก็เพ่งพอเพ่งแล้วรู้ว่าเพ่งใจก็ไม่ชอบ ไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบนะใจก็จะเป็นกลางเดี๋ยวมันก็เลิกเพ่งเองบางทีควรจะเลิกไปเลยมครับวรจะหยุดไปเลยครับเออหยุดไปเลยก็ได้ถ้ามันเพ่งไม่เลิกะนะเราก็เลิกมันเองครับแต่ไม่ใช่กลับไปอยู่กับโลกนะครับโอ้ยนั่งสมาธิแล้วเพ่งเลิกเลยไปเที่ยวดีกว่าไอ้ยังนั้นกินเลสลอกนะครับขอกันบ้านหลวงพ่อนะครับไปทำให้สม่ำเสมอนะครับ จุดออนมากๆเลยคือไม่ต่อเนื่องนี่แหละถ้าทำสม่ำเสมอได้เด็ดเดี่ยวลงไปเลยชีวิตเราเนี้ยสั้นนิดเดียวเราเกิดมาเจอพระพุทธศาสนาแล้วอยากให้เสียชาติเกิดเอาเวลาไปภาวนาส่วนชาติใดไม่เจอพระพุทธศาสนาก็ค่อยเหลวไหลไ ป, ปลักกันไว้ชาตินี้เจอศาสนาพูดแล้วภาวนาก่อนไอ้เรื่องเลวไห ล, หลนะั้นไม่ต้องห่วงหรอก ยังมีเวลาอีกเยอะเหนืขอบคุณครับคนนี้ส่งกันบ้านเริ่มด้วยประโยคที่สแสลงสแสลงอย่างแรงเขี้เกียจครับฟังแล้วดีนะอยู่ไกลอยู่ใกล้ๆจะเบิร์ดกะโหลกให้คนขี้เกียจนะมันไม่เห็นว่าโลกนี้เป็นทุกข์หรอก มันหลงโลกคิด่อโลกนำความสุขมาให้เรามีสติอานจีตอานใจไปเรื่อยโลกนี้ว่างเปล่านะไร้สาระอย่างเราเห็นคนเ็ากินเลี้ยงเฮฮาปาร์ตี้บางครั้งเราก็ต้องไปงานแบบนั้นเราไปเราก็เห็นว่ามันมาหลงโลกกันทั้งนั้นเลยใจเราสลดสังเวชนะแต่หน้าตาเราก็ยิ้มแย้มไปกลมกลืนไปกับเขา แต่ใจเราไม่ได้คลุกกับเขาเลยอยู่กับโลกเข้าใจโลกนะไม่ติดโลกแต่ถ้าเราเพลินกับโลกเมื่อไหร่เราก็เหมือนคนอื่นนั่นแหละก็เพลินเพลินไปวันวันเคยเห็นหมาแย่งตัวเมียไหมหมามันชอบสมรถหมูนะแย่งตัวเมียกันตัวชนะก็ได้สืบพันธุ์ตัวที่เหลือก็แวดล้อมเห่าหอนอะไรไป คนในโลกจริงๆเป็นแบบนั้นหลงกับสิ่งที่คิดว่านําความสุขมาให้ทั้งที่ไม่มีสาระแก่นสารอะไรเลยไม่นานก็ตายแล้วคนที่เรารู้จักก็ตายไปทั้งเยอะแล้วเราเองจะวันไหนเราก็ไม่รู้งั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะไม่ประมาทนะเรารู้สึกว่าชีวิตเนี้ยสั้นนิดเดียว สมเด็จญาณท่านบอกชีวิตนี้น้อยหนักชีวิตนี้ไม่ยั่งยืนความตายจะมาถึงเมื่อไหร่ไม่รู้เราพร้อมหรือยังที่จะตายวันนี้ใครพร้อมแล้วที่จะตายวันนี้ยกมือหน่อยสิยกมือสิไม่มีเลยอ่ะมนภาวนาภาษาอะไรวะถ้าเรามีสติอยู่นะเราพร้อมจะตายวันนี้ เพราะคนที่มีสติอยู่แม้วันเดียวภาษาบาลีบอกว่าแม่ราตรีเดียวมีสติอยู่ราตรีเดียวก็พึงชมพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้นะคาว่าราตรีเดียวหมายหนึ่งคืนมันก็คือหนึ่งวันหมายถึงหนึ่งวันหนึ่งคืนทางนั้นนับเป็นราตรีของเรานับเป็นวันของเขานับเป็นราตรีนับเป็นคืน มีชีวิตวันเดียวแต่มีสติมีคุณค่ามากกว่ามีชีวิตร้อยปีแต่ไม่มีสตินะเพะฉะนถ้าเรามีสติไปเรื่อยๆระลึกระลึกไปรู้ร่างกายรู้ๆๆๆรๆๆจิตใจเคลือ่อนไหวเปลี่ยนแปลงสม่ำเสมอไปชีวิตเราสมบูรณ์ละเราได้ทำประโยชน์ในชีวิตนี้สมบูรณ์ละถ้าจะต้องตายตอนนี้ตายด้วยความมีสติ ยังไงก็ดีถ้าประกอบด้วยปัญญาถึงขีดสุดก็นิพพานไปเลยถ้ามีสติอยู่นะก็ไปสุคติอย่าประมาทนะต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเราไม่รู้นะตอนนี้น้ำแข็งก็ละลายไปเยอะแล้วนะซื้อบ้านราคาหลายล้าน อยู่ภาคกลางต่อไปก็จะเป็นอันศีนเหมือนวัดหลวงพ่ออุตมะอยู่ในน้ำเป็นอันศีนเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ได้ขู่นะอันนี้พูดภพราว่านักวิทยาศาสตร์เขาว่าหลวงพ่อไม่กลัวน้ำท่วม ภาคกลางให้หมดหลวงพอยังไม่หวั่นไหวเลยเพราะตรงนี้สูงร้อยสามสิบเมตรไปกลับบ้านสิบโมงละนะคนลาวหนุ่มลาวเนี่ยจิตมีปิติให้รู้ว่ามีปิตินะ แม่หญิงนี่ก็คนเรานะเข้าวัดแต่งตัวน่ารักดีมีผ้าผ้าไหลสวยหลวงพ่อมีเหมือนกันเนี่ยผ้ามันสองไหลเลยนิมนต์เลย <c oughs> ครับท่า ใ, ใครมีเรื่องจะถามก็ถามพวกผู้ช่วยสอนนะหลวงพ่อมีผู้ช่วยสอน ดูแลพวกเราอยู่